ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมุงคลณสูตรในขุตกะปาฐะคือขุตกะนิกายพระจบิ๊ดกเล่มที่ยี่สิบห้าอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่า ประเทศไทยเรานั้นสังคมได้รับการหล่อเลี้ยงมาจากหลักธรรมในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเพราะอะไรเพราะว่าบทสวดทั้งหลายตำนานทั้งหลายก็อยู่ในเล่ม น, นี้และโดยเฉพาะยังยิ่งคือพระคาถาธรรมบทสี่ร้อยพระสี่ร้อยกว่าพระคาถาเนี่ยก็อยู่ในธรรมบทเด่นนี้ ยังมีข้อความต่างๆอีกเป็นอันมากนะแม้แต่พวกอุทานเองซึ่งบรรยายในวันพูดประหาดสุขก็อยู่ในเล่นดนี้เหมือนกันมกุลสูตรนั้นที่จริงเคยปรารบเรื่องเหล่านี้ตอนที่บรรยายพระสูตรพระคาถาพระปริศ ในคุตรกระปาถะเนื่องจากเป็นการอธิบายในหัวข้อประเด็นสั้นๆเพราะว่าการการนี้ได้เคยนำหัวข้อที่อัตมาบรรยายอบรรมที่ตึกสวรธ ร, รมนิเวศมาเปิดออกอากาศต่งนั้นที่จริงค่อนข้างพิสดารกว่า แต่ว่าคราวนี้จะเป็นรายละเอียดที่กว้างไกลออกไปกว่านั้นแต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องส่งเสริมสนับสนุนกันลักษณะของพระสูตรหรือพูดโดยรวมวัะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันจะมีเหตุเกิดจู่สีเหตุหลักด้วยกัน ประการแรกคือเกิดขึ้นมาจากอัธยาศัยของพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงเรื่องเหล่านั้นส่วนมากแล้วจะเป็นพระธรรมเทศนาที่ค่อนข้างลึกซึ้งก็ยากต่อการทำความเข้าใจนะเช่นว่า เป็นการพูดเรื่องสัตตาวาสก้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดพูดถึงรูปประพรมพูดถึงสวรรค์พูดถึงอรูปประพรมพูดถึงวิมานอะไรต่างๆเนี่ยมันยากที่คนก็จะถามพราถามไม่เป็นไม่รู้จะถามยังไงเพื่อจะทรงเห็นว่าถึงกาละเทศะที่สมควร เรจะทรงประลบเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแนวนี้จะเกิดขึ้นมาจากการรับสั่งเรียกพระภิกษุแล้วภิกษุก็มาประชุมกันเมืมาประชุมกันแล้วพระเจ้าจะทรงประลบเรื่องเหล่านั้นบังคับบังคับมันเป็นเหตุผลเรื่องความมั่นคง คือถ้าเรามองพระสูตรในแนวมหาเป็นนิพพานใสูตรมหาเป็นนิพพานสูตรมีลักษณะเหมือนก็จุดหมายเหตุเป็นพระสูตรซ้อนพระสูตรเป็นจํานวนมากทีเดียวนะฮะบันทึกลงใบบ้างเป็นปรากฏในที่อื่นบ้างแต่ว่าอยู่ในช่วงตนนะัวนั้นเนี่ยในช่วงที่พระเจ้าเสด็จพุทธําเนินจากภูเขาคิจกูดไป จะมณสาเมืองไพยสลีแล้วออกก่นสาแล้วก็อยู่ที่ไพรสาลีอีกระยะหนึ่งเลยกลางเดือนสามไปจึงได้เริ่มจาริกออกจากเมืองไพรสาลีก็ความทั่วนั้นที่ยิงพระพุทธเจ้าก็วนไปบนมาหลา ย, หลายแห่ง ส่วนหนึ่งก็จะทรงประรภเรื่องจนว่าทรงประรบเรื่อ ง, งรร อ, งอหารณิยธรรมคือธรรมะที่เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยก็เป็นอัตยาสัยของพระองค์ที่มีพระประสงค์จะเน้นย้ำในเรื่องเหล่านั้นก็ด้วยพระทยที่อนุเคราะห์ต่อชาวโลก ก็เป็นอะไรล่ะกรอบของพระมหากรุณาสมาปัฏิยานคือพระมหากรุณาของพระองค์ต้องการจะช่วยเหลือสัตว์โลกถึงยังไม่รู้ให้ควรได้รู้เพราะนั้นเราเทียบถึงหลักการที่พูะเจ้าทรงประกาศธรรมะ เราจะพุตธวิธีในการสอนธรรมะก็ได้แต่ว่านหนังสือนอกวาาเนี่ยท่านแปลว่าอาการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นว่าธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าเองวัฏฏาคตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็บอกไปสามข้อด้ยกันแปลเป็นไทยง่ายๆว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุ ส่งแสดงตามเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแต่บางทีท่านคิดไม่ถึงท่านนึกไม่ออกท่านถามไม่เป็นนะก็อาศัยอัตยาศัยของพระองค์ที่ส่งนุเคราะห์แก่ท่านเหล่านั้นก็จะรับสั่งเรียกมาบางทีก็มีเจตนาต้องการจะไปแสดง เช่นยังเคยเล่าเรื่องธิดาในช่างหูเปสศการธิดาวัตถุเสดจพุทธธรำเนินไประยะทางไกลถึงสามสิบโยต์เพื่อจะสอนเรื่องมนักสติแกชุมชนในท้องถิ่นตรงนั้นแต่ว่าเป้านี่อยู่ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ1ิบสามสิบสองสิบสามปีนะเพราะว่าตอนเธอตายเนี่ยอายุสิบกปีแต่นั้นเอง นั่นก็เกิดขึ้นอัธยาศัยของพระองค์ที่ทรงรู้เห็นอัธยาศัยของเด็กเหล่านี้แล้วก็เสด็จไ ป, ปโปรดตรลงว่าเอาก็จริงเมื่อก็สองสองเหตุนะ่ะหมายว่ามาเธอมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วก็มีพระตยาศัยที่มุ่งอนุเคราะห์ต่อเธอด้วยเพราะธรรมเทศนาแนวเนี้จะปรากฏมาก แล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามีพระสูตรบางประสูตที่ไม่แสดงมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่แสดงประเภทจะเรียกว่าอปยากตะปัญหาอย่างที่เคยพูดไว้ในช่วงวันอังคารพุทธพฤหัสไม่ใช่วันพุทธพะหัสสุขที่กล่าวถึงประสูตในอุทาน แสดงถึงเรื่องิติหลายประเภทด้วยกันเพราะว่ามันไม่ควรรู้ควรเห็นหรือว่าไม่สามารถรู้สามารถเห็นก็ไม่แสดงพระไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะมุ่งไปที่ประโยชน์เราจึงคุ้นๆกับคำบาลีสามคำ ก็เรียกว่าอัท ธ, ธิสุ ข, ขะอัทธะก็คือเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เกืกูลในโลกนี้เกืกูลในโลกหน้าแล้วเกืกูลตอบผลสูงสุดคือมารคผลนิพพานแล้วก็ขีตะคือเกอกูล อัธนั้มเป็นประโยชน์อ่นันเป็นประโยชน์คือธรรมะที่จริงก็เป็นประโยชน์แต่ว่าทำยังไงจะเกิดประโยชน์คือถ้าเรามองเต็มที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวของทุกขสัตย์มีการกาหนดรู้ความจริงเป็นประโยชน์เพราะพวกอารมณ์ของทุกขสัตย์ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่สรุปรวมเป็นนามรูป สมุทัยนั้นถ้าเรามองให้เห็นโทษแล้วก็เพียนพยายามลดละบันเทามันก็เกิดประโยชน์นิโรธเป็นเป้าหมายเดี๋ยวค่อนข้างไกลนะครับก็มีการก้าวไปค่อยๆสงบค่อยๆระ ง, งับค่อยๆดับ เพราเราจึงพบว่าการสอนบางครั้งเนี่ยพูดถึงบรรเทาทันเองบางครั้งพูดถึงลดละบางครั้งก็พูดแค่อดทนบางครั้งก็พูดถึงการดับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดับกิเลสได้หมดคนเราก็สําคัญว่าทํำยังไงจะบรรเทาได้ จะข่มใจได้เนี่ยก็เยอะแล้วนะฮะอย่างลักษณะาทางสังคมถ้ามนุษย์รู้จักข่มใจห้ามใจตัวเองไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์เนี่ยปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่เกิดหรอกแต่คนนี้ข่มใจไม่เป็นห้ามใจไม่เป็นเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจ แต่อายนามของศาสนาเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเกื้อกูลและดูผลนี่เป็นความสุข เพราะเราจงเห็นชัดเจนนะว่าเหตุการ์พักได้มีแต่ความทุกข์มันไม่ได้ไปตามเส้นทางศาสนาไหนทั้งนั้นเน่ยเพราะศาสนาสอนจะมีสุขเป็นผลเห็นหมายถ้าเรากำหนดรู้ได้เราก็มีความสุขเป็นผลถ้าเราละได้เราก็มีความสุขเป็นผลถ้าเราทำให้แจ้งได้เราก็ อย่างน้อยเราก็ลดได้นะมีความสุขเป็นผลแต่เราประพฤติปฏิบัติได้เราก็มีความสุขเป็นผลอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบันดามันที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องต้องกำหนดรู้วันนี้คือคติธรรมดา ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับเปลวเชียนก็ดูแล้วโดยเหตุผลเนี่ยว่าไ้หมดขายหมดเนี่ยดับแต่ความจริงไม่ใช่ไสา ย, ยังอยู่ขายยังอยู่ก็ดับได้้ายหมดขายยังอยู่ก็ดับได้ขาหมดไสา ย, ยังอยู่ก็ดับได้เพราะเราจริงเทียนมันดับได้ทั้งสี่ลักษณะด้วยกัน ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อก็ดับแน่คือตายแน่ส่วนที่ท่านตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วเราก็มีหน้าที่ทําบุญอนุทิปุสสนไปให้แต่นนะั่นเองเสียใจมันกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาที่พิจารณาแสดงให้เห็นว่าการร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจโดยการปิยะวิปโยคเนี่ยคือพลาดพลาดจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ย คนเหล่านั้นเขาไม่รู้นะเขาก็ไปอย่างที่เขาไปเขาไม่รับรู้ถึงการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไรของเราแล้วสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็จะสุดโทรลงไปญาติพี่น้องก็ปล่อยเศร้าโศกตามไปเป็นการเพิ่มทุกข์กระจายทุกข์เผื่อแผ่ทุกข์กอกไปทุกข์เขาไม่เผื่อแผ่นะทุกข์เขให้บันเทา แล้วคนที่มองเราเป็นศัตรูนั้นจะชื่นชมยินดีเขาเรียกว่าสะใจของศัตรูเปิดโอกาสให้ศัตรูก็ยิ้มยิ้มย่องด้วยความชื่นชมยินดีไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะเราเห็นว่าท่าแหน่ตัวนี้พูเจ้าจะแสดงในแนวของสภาวธรรมแต่คนเข้าถึงความจริงระตับ จ, จับปรับจิตยอมรับความจริงไม่ได้ก็เป็นทุกข์ คือมีปัญหาอย่างไงเนี่ยคือแต่ละคนในแง่ของความเป็นจริงมันก็ต้องเจอสภาพเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยการพลาพราคสูญเสียมากหรือน้อยเราพลาพราดมาเยอะชีวิตมาถึงจุดนี้เนี่ยญาติพี่น้องนี่ตายไปเยอะแล้ก็ท่านไปก่อนต่อไปเราก็ไปมันก็ท่านั้น เพราะงั้นธรรมะทั้งสี่ชุดนั่นแหละทั้งอริยสัจมันก็เป็นหิตะคือเกื้อกูลแล้วก็มวอความสุขให้ถ้าเราเข้าถึงถ้าเราทำได้ถ้าเราปฏิบัติได้พระสงทรงสังสอนมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามแล้วก็ปฏิบัติตามนะ ก็จะเห็นจริงตามนั้นจะไม่มีประดิษฐ์ของพระพุทธเจ้าไม่มีทางวิปปิศเลแล้วอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยมันจะเป็นเข้ามันอย่างนั้นตลอดเช่อศรัทธาเกิดความไม่เชื่อดับศรัทธามีพลังความสงสัยดับมีพลังสูงขึ้นไปโลภะดับมีพลังสูงขึ้นไปตัณหาดับมีพลังสูงขึ้นไปโทสะดับ ที่บอกว่าศรัท ธ, ธานาไปสู่นิพพานได้แหละมันเป็นอย่างนั้นพลังของศรัท ธ, ธาที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนความเย็นเพิ่มขึ้นในห้องความร้อนก็ลดลงลดลงลดลง ล, ดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยความเย็นอยู่ตัวความร้อนปรากฏขึ้นมาไม่ได้แต่พวกนี้เป็นอุปมาเทียบเคียงนะได้ในความจริงเราก็ต้องดับดับแอร์เหมือนกัน ประการต่อไปคำสอนนัจจสัจจัน์คือผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะได้รับผลตามที่ทรงแสดงอะไรเป็นอย่างไงก็คือต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันไม่เป็นอย่างอื่นสติความระลึกได้คุณมีสติมีสติมีสติทำอะไรก็ทำเถอะไม่ผิดอ่ะอย่าขาดสติลกัน ยามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆก็ให้มีสติเอาไว้ใหญ่เสียสติสติมีมากเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวนะฮะสติเนี่ยไ ม, ไ ม, ม, ม, ไม่ไม่มีมากไม่ไม่วิปรัชต์มีน้อยมันวิปราชสติยิ่งมากเนี่ยคนจะเป็นพระอราหันต์ไปเลยเบางคนที่สติสมบูรณ์มีเฉพาะปาราหารัน ผลสติไปเลยนะสติเพิ่มก็สัมปชัญญะเพิ่มอย่างอื่นก็เพิ่มตามมาเป็นแถวเพราะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นเครื่องตื่นในโลกทําให้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นเต้นนะฮะไม่ตื่นตูมแล้วก็ไม่ตื่นตามแต่ช่วยให้ตื่นตัวปลุกตัวเองแล้วก็ปลุกคนอื่นให้ตื่นให้ตื่นตามมา อีกข้อหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าระชาายานะคือเกิดขึ้นจากอัธยาศัยของผู้ฟังพระธรรมเทศนาแนวนี้จะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังเราจึางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุโลมมเทศนาคือดูคนแล้วก็ดูธรรมวางธรรมห้สอดรับกับคน คล้ายๆกับหมอให้ยาเนี่ยดูอาการของโรคดูสมุทรฐานของโรคแล้ววางยาให้ถูกต้องสมุทฐานมากไหมแรงไหมอาการแรงไหมนะยาก็ต้องแรงตามสมุทรฐานมันอ่อนอาการไม่มากบางทีก็ไม่ถึงก็ให้ยาให้พักผ่อน เ, อเดี๋ยวก็หายือนกันวางธรรมะมันก็มีรัศดาอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย ที่เคยเล่าเรื่องของพระเจ้าไล่พระให้ออกจากพระเชตวันที่เดียวตั้งห้าร้อยอ่ะนะมันคืจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งอ่ะวิธีการอย่างหนึ่งที่กำราบกำราบซะก่อนอันนี้มันยังเป็นสุงอยู่่ะมันต้องลง เลื่อยวงเดือนของขวานถากทุกวันมันก็ใช้เลื่อยวงเดือนไม่ใช่ขวานถากมันก่อนมันใช้ขวานใหญ่ถากก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใช้เลื่อยวงเดือนเปิดปีกซะก่อนแล้วค่อยเลื่อยค่อยทำเป็นตัวไม้ต่างๆที่เราต้องการพวกนี้ไปสายโกบอะไรไม่ได้หรอกไปใช้เลื่อยธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเลื่อยวงเดือนเลยเลือยเปิดปีกให้ให ร, อใหรอบจนสี่ด้านเดี๋ยวค่อยว่ากัน วันการสอนธรรมะบางครั้งมันก็เริ่มมาจากวินัยก่อนเพราะว่าหยาบหยาบกลางละเอียดแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุที่พุกฝังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามคือเราจะพบว่าธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมรรคศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุแต่รองลงมานี่เป็นสมุทัยศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุ ส่วนทุกขกษัตริย์เนี่ยรองลงมาอีกหน่อยหนะึ่งนิโรธกัตร์นิดหน่อยไม่มากสอนไม่มากแม้แต่แน่พิธามเองก็สอนไม่มากเพราะนิโรธไม่ใช่ภาษาอธิบายมันเป็นภาษาสัมผัสมันเป็นเรื่อหวานมันเค็มคนกินแต่นั้นเองจะรู้คนอื่นรู้ไม่ได้อธิบายไม่ได้แต่การต่อไปนั้นเขาเรียกว่าปุจฉาวสิกา มันเกิดขึ้นเหลืออำนาจคำถามมีคนมาถามแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ถามเราถามยังไงล่ะนะอย่างแนวป ร, ราประวะสูตรที่เคยพูดมาค่อนข้างนานแล้วกันนะเราเจ็นว่าเทวดาท่านถามทีละข้อระยะา่าก็ตอบไปทีละข้อ แล้วแนวตัวนี้แนวเป็นเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงหลักของปฏิสัมิทาของพระพุทธเจ้าความเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลเข้าถึงอัตเข้าถึงธรรมเข้าถึงภรราษารรแล้วก็ไววพิปปิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พูดไปพูดมาเนี่ยมันก็จบตรงที่ว่าคือท่านจัดสรู้จริง ประโยคนี้สมัยสมเด็จพระสังฆราชยังไม่เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคือตามปกติมาจะเก็บสะสมความข้องใจอะไรต่ออะไรไว้แล้วก็จะไปคุยซักถามกับท่านส่วนมากจะไปอธิบายแล้วก็ให้ท่านวินิจฉัยอธิบายความเข้าใจความคิดความเห็นเนี่ยให้ท่านวินิจฉัยบางทีก็ถามท่านแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่ท่านจะ อุทานบอ่อยๆเออท่านศัตรูจริงๆนะเนี่ยท่านศัตรูจริงๆนะเนี่ยท่านศัตรูจริงๆนะเนี่ยคือรู้จะพูดอย่างไงมันลงตัวไปหมดอะแล้วพูดอย่างอื่นไม่ได้อะคล้ายๆกับพ ร, พระอัมพบาลีคณิกาต่อมาท่านบวชนะฮะท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุมรคลเป็นพระหรัน ท่านมองรูปร่างของท่านในขณะนั้นซึ่งแก่มากอ่ะอายุร้อยกว่าปีแล้วก็ย้อนไปเทียบกับสมัยสาวๆที่เป็นนคารสโผเพนีเทียบเคียงกันแล้วท่านก็โอ้คำสอนพระเจ้าอัศ จ, จริงหนอคําสอนพระเจ้าอัศ จ, จริงหนอะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยไปราะมากฮนะไปรอมากแต่ว่าเอามาพูดในที่ทั่วไปไม่ได้ เพราะว่าเป็นการพูดความจริงเกินไปคนทั่วไปเขารับไม่ได้พูดเรื่องความไม่สวยไม่งามเรื่องหนังเหี่ยวผมงอกฟันหักสี่โครงเป็นกรอนเรือนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขารับไม่ได้คนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรับไม่ได้แต่ความจริงนะฮะเป็นความจริงอย่างนั้นเป็นบทเพลงพระอราหันในเทรีคาถาเนี่ยถ้าหากว่าท่านรู้ฟังมี ประเดวไปโดกอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ที่วัดอะไรว่างๆเราลองไปอ่านดูก็ได้นะก็ไพเราะมากต้งสรุปเป็นตอนเป็นตอนอไรอย่างเงี้ยยิ่แนวเดิมมันเกิดจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ส่งปรารฏเรื่องเหล่านี้แล้วก็ส่งแสดงประศูนต์เหล่านั้นเพราะฉะั้นอย่างแนวพวกตํานานทั้งหลายเนี่ยมีครบทั้งทั้งทั้งสี่อย่าง มงคลสูตรเป็นพระสูตรประเภทที่เรียกว่าปุจฉาวสิกาแต่ถ้าเรามองย้อนอย่างที่เคยเล่าไปคฟังวันก่อนว่า ม, มันเกิดอัดถุ ป, ปติขึ้นมาก่อนคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนคือคนตั้งวงอภิปรายถกเถียงเรื่องมงคลมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะมาเกี่ยวเมื่อมีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ที่พระอาจารย์ท่านอธิบายในยท่านอธิบายทุกตัวอักษรเลยนะฮะตอนตอน้ตนๆเนี่ยอธิบายทุกตัวอักษรเลยแต่ว่าในที่นี้ก็คงจะไม่เอาพิสดารขนาดนั้นนะ น, นะเพียงแต่ว่าจะนําความพอรู้จักยกเว้นแต่ในกรณีองค์ธรรมจึงจะต้องให้รายละเอียดขึ้นถึงข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ คือเอวะเมสุตังเนี่ยมันขึน้นว่าเอวะเมสุตังอันเข้าไปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เ<อ>มน้าหมายถึงองค์พระอนุนเข้าไปเจ้าคือพระอนุนเทระอันนี้เ็าต้องวงเล็บนะฮะเพราะว่ามันมันเมเฉยๆได้สดับมาแล้วอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่ พระนุนท่านได้สดับทีนี้ถ้าเรามองในแง่มุมประวัติศาสตร์เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยพระ น, นุ์ยังไม่ได้ทำหนะ้าที่อุปถาก์แล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่ในสถานที่นั้นเป็นข้อความที่คงเรียนมาจากพระพุทธเจ้าตำพรแปดประการที่ท่านขอ หรือไม่งั้นก็อาจจะเรียนจากพระอื่นเพราะเป็นลักษณะของการเล่าต่อพระพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งทีนี้คำว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเราจะลืมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเชตะวันเพราะสมัยตรงนี้สมัยที่แสดงมงคลลสตรมันก็ต้องนานพอสมควร ก็ยังนึกว่าพระเจ้ตะวันเนี่ยคงเกิดไม่น้อยกว่าพรรษาที่เจ็ที่แปดเพราะถ้าเราเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆดูนะเพราะว่าจริงๆนั้นใช้สมัยหนึ่งตั ว, ตวใหญ่โดยสมัยนั้นสมัยหนึ่งครั้งนั้นโดยสมัยนั้นแลอะไรทำอนองเนี้ยหรือท่านไม่ได้บันทึกเหตุการณ์แบบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อย่างโบราณ คดีของเราหรือว่าพงศาวดารของเรานะพงศาวดาร็ดีประวัติศาสตร์โบราณก็ดีเนี่ยคือท่านเรียงตามระดับเหตุการณ์เดี๋ยวมันเกิดก็ทําให้เรารู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังวันที่ท่านให้รายละเอียดวันเดือนปีไว้ด้วยนะฮะวันเดือนปีทางจันทรคติส่วนใหญ่จะใช้จันทรคติ พทำเรรู้เหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่าในพระไตรปิฎกท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านไปใช้อย่างสมมติวาชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่องเนี่ยอิเตกาเลงขึ้นอย่างนั้นนะในอดีตการนานมาแล้วไม่รู้อะไรนานนานมากนานน้อยแม้แต่พวกทศชาติเอง พระเจ้าเองที่เราเรียงว่าพระเันสันดรเป็นชาติสุดท้ายนะฮะแต่ถ้าเวลาเรียงบารมีไม่เรียงสุดท้ายนะฮะก็เรียงทานเรียงศีลเรียงเนคขมะเรียงปัญญาเรียงสัจจะเรียงเมตตาเรียงอธิษฐานอะไรแต่ก็เรียงไปตามลําดับเพราะนัเอาเข้าจริงมันก็ เราก็ไม่รู้อะไรก่อนในหลังเพียงแต่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องความเชื่อเราไม่ได้มองกันในแง่มุมที่มันสมตยสมผลอะไรอ่ะแต่เรื่องกาละนะเรื่องกาละเรื่องเทษะเรื่องกลุ่มคนไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ตัวประเด็นหลักเพราะว่าพระไตรปิกเนี่ยเนื้อหาของธรรมวินัยเนี่ยคือประเด็นหลัก ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแกใครไ ม, ไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านได้รับผลแล้วที่เรามาศึกษาเราต้องการผลอย่างนั้นบ้างถึงเราไม่บอกท่านก็เป็นพระยะบุคนไปแล้วเราบอกท่านก็เป็นเท่าที่ท่านเป็นนั่นแหละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวัน ก็อย่างที่เคยบอกนะว่าพระเจตะวันเป็นเป็นวัดที่เกิดขึ้นในเรียกว่าถ้าแบ่งพุทธสมัยออกไปเป็น่าไรละ่ะสี่สี่ช่วงช่วงละสิบสองปีนะฮะกิดว่าช่วงละสิบสองปีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงต้นช่วงสิบสองปีต้น มันเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของท่านอนาตบินดิกาเศรษฐีก็จะย่าเล่าความเป็นมาของพระเชตตะวันจะหน่อยนะฮะพระเชตตะวันเนี่ยแปลว่าสวนของเจ้าเชษป่าของเจ้าเชษหรืออุทยานของเจ้าเชษนะวันวนาเนี่แปลว่าป่าก็ได้อุทยานก็ได้สวนก็ได้นะกะก็เดิมทีเดียวก็เป็นอุทยาน อุทยานของเจ้าเชษ์มันก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเราเห็นว่าก็มีอุทยานเป็นการส่วนพระองค์มีสระบกณีมีอุทยานเป็นการส่วนพระองค์งก็ยังนึกว่าแนววังของไทยในเรียนแบบพุทธวัติอยู่เยอะ โราจะพ่อกรุงเทพมหานะครอมอรัตนโกสินเ น, นี่ยมหินตรามหานิลกพบนภพล ร, ร, ราชธานีเนี่ยเป็นการเรียนแบบสวรรค์ชั้นดาวดึงเรียนมาหมดเลยนะฮะเรียนมหมดแม้แต่ประตูเนะี่ยก็เรียนมาจากสวรรค์ตัวคนไทยรู้สึกคุ้นกับสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก แล้วก็คุณกระทัตสกะเทวราชหรือพระอินเนี่ยมากมาขวานอะไรตไรเนี่ยเห็นเอาชื่อของท่านมาอยู่เยอะทั้หมดเลยก็วันนคดีเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยพระมุนบินพ ร, ระภาคเจ้าลองสังเกตว่าอันนี้มาจากพักวานนะฮะอย่างที่ มีโยมคนหนึ่งอ้างนงนักเผยแผ่ธรรมะที่เป็นคารวาตบอกว่าต้องเรียกอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าไปเรียกว่าสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถูกนะเรียกพระกวาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกศรัทธาก็ได้ศา ส, สดาก็ได้หมาย ถ, ถ, ถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแหละอย่าไปยึดติดนะฮะอย่าไปยึดติดอย่าไปกลายเป็นทิฏฐุปาทานหรืออัตวาทุปาทานมาก ไม่เกิดประโยชน์อะไรฮะพราะในที่สุดเนี่ยเราไปจะไปดูหมินคนอื่นเป็นการยกตนข่มท่านนึนกว่าเรารู้เก่งกว่าคนอื่นหมายรู้ว่าพระพุทธเจากก้าก็แล้วกันรเรียกยังไงก็ตามจะเวเนี้เราเรียกว่าพระพุทธองค์อย่างเนี้ยถ้ามาจากอะไรก็มาจากพุทโธนั่นแหละมาจากคำว่าพุทโธพระกวา น, นั่นแหละ แต่ก็เรียกพุทธองค์ก็เป็นการเรียกด้วยความเคารพพระเจตาวันเนี่ยมีความเป็นมาโดยสรุปหน่อยนะว่าเคือตอนท่านอนาตบินทิกาเศรษฐีมาที่กรุงราชคฤห์มาพักที่บ้านราชกหะเศรษฐีเขาว่ากันว่าเป็นพี่เขย แต่ในที่บางแห่งบอกว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นคู่เคยกันนะ่ะคือหมายความว่าพ่อตาแม่ยายคนเดียวกันสรุปว่ามีความเกี่ยวดองกันการอะไรก็เป็นพวกกันก็ตามปกติแล้วเมื่อท่านนาถบินติกาเศรษฐีมาเนี่ยท่านราชการเศรษฐีจะเลิกภารกิจมาต้อนรับเลยแล้วก็ดูแลใจใส่ตลอด แต่วันนั้นเนี่ยท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาสเส ว, วยแล้วก็ฉันในนิเวศเพราะงั้นจึงดูแลจัดการเรื่องจะเลี้ยงพระพรุ่งนี้ก็ไม่ได้สนใจทักทายกันนิดหน่อยแล้วก็ไปทำงานอ น, นาถวินิกาเศรษฐีก็เกิดสงสัยก็สอบถามก็อบอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ากำลังเตรียมตัวเพื่อจะรับเสด็จพระพุทธเจ้า พร้อมโดยพระสงฆ์ในวันพรุ่งนี้อา น, นาธิบินนิกาเศรษฐีตื่นเต้นมากท่านพูดอะไรนะพูดอะไรผู้เจ้าเกิดแล้วหรอผู้เจ้าเกิดแล้วเหรอเขา เ, เรียกว่าตลีตลาดตื่นเต้นมากขนพองสยองกร้าวเลยขนลุกสู้นะพอได้ยินต้องให้ ราชหาเัเศรษฐียืนยันทั้งสามครั้งอะท่านจึงจับประเด็นได้คือท่านปีติท่านตื่นเต้นท่านตะลึงหมดเลยเลยก็พอรู้พระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านขอเหมาอ่ะขอเป็นเจ้าภาพเองอยังไม่เจอพระเจ้าเลยขอเป็นเจ้าภาพ้วนี่สแสดงน้่นคนมีบารมีเราเห็นชัดนะฮะลักษณะคนมีมบารมีในชัดเลย พอได้ยินพระพุทธเจ้าแลวตื่นเต้นซึ่งมันผิดกระท่านสนชัยปริภาชกสนชัยพอได้ยินชื่อพระเจ้าเกิดแข่งดีเลยบางทีก็รุนแรงอย่างเช่นนิครนัทบุตรเนี่ย น, นั่นรุนแรงเลยแข่งดีจนแสดงออกมาเลยต้องการจะทำลายล้างจะด้วยนะ คำมัท ธ, ธุกคำเดียวเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในแง่ของความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยบางคนพ้นจากนรกบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระรยะไปทั้งหมดแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยตกนรกเพราะการเกิดของพระเจ้าก็เยอะ เจ็ดผู้ปฏิวัต์เป็นต้นเห็นนะเลยเห็นว่าพปฏิวัติเนี่ยผู้ปเทวทัติเท่าพร ะ, เ, เ, พระ เ, รเจ้าไม่เกิดมาแกก็ไม่ได้มีใครอริษยาไม่มีใครเบียดเบียนแต่ว่ากงกรรมกงเกลียนก็สัตว์นะมันก็นไปก็มันอย่างนั้นเนี่ยคนดีก็มีคนไม่ชอบแต่คนนั้นจิตไม่แข็งพอตัวนั้นคน ชั่วบางทีเนี่ยจิตมันเสมอกันก็กชอบเพราะชอบกันท่านอนาตาบินิกาเศรษฐีนั้นแสดงเรงจิตใจท่านที่สูงเพราะอะไเพราะว่าคนคนหนึ่งในสลระทรัพย์สบัติของตัวเองตั้งโรงทานแจกทานแก่ยาจกวันนห้พกคนยากไร้ขัดสนคนเดินทางไกลคนที่เดือดร้อนนะครับ จนนึกถึงภาพเหล่านี้ว่าคนให้ทานทุกวันเดี๋ยเอาเงินมาจากไหนเงินมันต้องไหลมาเลยต้องได้สัสดส่วนกันเือนกับ น, น้ำนะไม่งั้นมันแห้งเลยนะแต่ว่าน้ำไหลมาแล้วก็สูงขึ้นมาหมดเลยไหลมาไม่ทนันน้าก็แห้งเพราะนนภาพการให้ทานเย่นี้แสดงว่าธุรกิจของท่านต้องใหญ่มาก การไหลามาของเงินหนุเนเรื่องกันมาได้ตลอดอยู่แต่บางครั้งก็รู้สึกจะชอ็อตมอนกันนะเพราะว่าท่านเคยจนแล้วในที่สุดเมื่อท่านราชกาเศรษฐีไม่ยอมให้โอ้ยนิมนต์พระพุทธเจ้ายากกว่าจะได้เนี่ยผมก็รอมาตั้งนานแล้วมาให้คุณไม่ได้หรอกคุณคุณจ้องนิมนต์หอกก็แล้วกันนาตบินาราชาเศรษฐีนอนไม่หลับนะ่ ใจกระสับกระซาอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่รุ้งเลยลุกขึ้นเดินไปสู่สีตะวันที่พระพุทธเจ้าประทับ พ, พอออกมานอกเมืองปรากฏมันมืดมันยังไม่สว่างเลยสมัยนั้นก็ไม่มีไฟฉายไม่มีไฟฟ้าอะไรนะัะนึกภาพบ้านนอกก็แลนะ้วกันแต่ท่านแสดงความเชื่อมันนะ่นเนี่ยมีภาพหลอกลวงอะไรอะไรเยอะท่านก็มาเดิน ก็แปลกที่ว่าบรรลุได้ยังไงนะเพราะพระพเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเด็คือนั้นไปอยู่ที่สีตะวันนะท่านก็ไปที่สีตะวันนี่เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นพุท ธ, ธานุภาพเป็นการบรรดาลใจนะเครียดโดนบันดาลใจเหมือนกับพระยาศานะพยระยศาก็เหมือนกันแบบอนาตบินในการเสด็จพระเจ้าไปนั่งประทับรออยู่ น, นาตบินในกาเรษธีก็มีการผู้เจ้าไปรออยู่พอท่านเดินมาใกล้เนี่ยมองซ้ายมองขวาก็ยังมองไม่เห็นอะไรนะะผู้เจ้ารับสั่งว่าสุทัตตะมานี่ตถาคตอยู่นี้โอ้โ ห, โหคนลุกเลยนะนอะไรเพราะว่าชื่อสุทัตตะนี่เป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ว่าคนไม่รู้จกัก เราก็เรียกอนาธบินในการเสถีแปล ว, ว่าเษศธศศศีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้พระเจ้ารับสั่งเรียกเช่นนั้นท่านก็ไปเลยโดยปีตินะปีติไปถึงกราบแท่ประบาทเลยแล้วก็จุงมพิษที่ประบาทแล้วการกระทำอย่างเนี้ยในที่บังแหงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีก็ยกประบาทขึ้นมาเหยียบหัวเลย ยกเท้าเหยียบหัวเราเจอบ่อยนะเจอเจอต่างจังหวัดยังนึกว่าแนวภาคตาอย่างเงี้ยเจอบ่อยบางทีก็มากราบแล้วก็ลูปที่เท้าแล้วก็ไปทาที่หัวบางทีก็ยกเท้าช่วยเหยียบหัวให้อะไรอะไรเป็นการแสดงความเคารพนักถือเคยเจอท่านพระเทรัท่านเล่าให้ฟังท่านไปแถวเนี่ยแถวมงถวองโกเลียแถวเออเลยจีนไปเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมาเยอะ เคารพนะับถือมากมาถึงก็ลูปเท้าทาหัวตัวเองตีก็สามครั้งนะเครบสามครั้ง น, ะนีแสดงความเคารพมากแล้วถามคุ้นเคยคุยกันเหมือนก็รู้จักกันมานานอนะุตจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังคุยกันไปก็บรรลุมรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นลุสิตตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปบ้านระยะเศรษฐี หลนแจ้งพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จนอนุโมทนาท่านก็ขอเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เจ็ดวันพระเจ้าอนุเคราะห์ก็รับรพอครบวัน ท, ที่เจดเนี่ยท่านขอราตนาพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ศา ส, สนาที่กรุงสาวัตถีบอกว่าเป็นการอนุเคราะห์ต่อคนในสาวัตถี แล้วก็พระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตยินดีในที่สงานท่านบอกว่าท่านก็รู้อยู่แล้วก็จะไปหาสถานที่เตรียมรับสเสด็จไว้แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งคนมากราบถูนรันะตนาตอนนี้ท่านฟังจะเห็นถึงคําว่าพระกว่าที่แปลว่าผู้มีโชคแต่ไม่ใช่โชคไม่ใช่โชคมชโชคีโชคร้ายอย่างที่เราว่าเนี่ย มันมันเป็นพุทธานุภาพอ่ะคือพระพุทธเจ้าเผยแผ่าศาสนาลุ่นไปไม่มีคนขัดขวางอย่างาศาสนาอื่นาศาสนาแต่ละองค์นี่ถูกคนขัดขวางเยอะมากๆอย่างในาศาสนาซิกนี่ตายทั้งหลายองค์นะ ศา ส, สดาก็สิบองค์จากคุรุนานักเทพมาจนถึงคุรุโคบินเดศีนิสตายทั้งหลายองค์ก็ลืมไบ่งเท่าไรแต่ว่าหลายองค์ห่งตุค่าเนี่ยของพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้ใครจะแตะเอาขนาดโลหิตเท่าแมลงวันดื่มอิ่มเนี่ยไม่มีไม่มีใครเคยทำเลือดออกจากพระวรกายพระเจ้าได้ เรียกว่าเป็นอภพทัศรีระคือเป็นสรีระที่ใครทำลายให้แตกไม่ได้เราเลึกถึงภาพภาพแล้วก็ตื่นเต้นนะท่านท่านผู้ฟังลองสังเกตดูเราตื่นเต้นเลย ว, yeah. ว่าราชกุมารที่สง่างามมากสมบูรณ์ด้วยหมา hora, ปุริสลักษณะสามิสองประการเนี่ยไม่อยู่กลางดินกินกลางสาอยู่ได้ตั้งห้าสิบเอ็ดปี ไม่มีอันตรายมาพ้องผ่านเลยไม่มีใครกล้าทําอะไรทั้งคนทั้งสัตว์ไม่มีใครทําทอะไรได้เลยนี่คือเราแสดงให้เห็นว่าบา ร, รมีธรรมนั้นมีจริงๆแล้วก็มีสูงส่งขึ้นไปตามลําดับงั้นเราดูลักษณะบา ร, รมีแม้เราดูที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เราก็เห็นบา ร, รมีเสดพระนางเจ้าสมเด็จพระเทพเนี่ยก็เห็นพึกบา ร, รมีต่างๆบา ร, รมีลดหลั่นลงมานะฮะ เราจะเห็นว่าของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูเพรา ะ, ะนั้นบารมีจะบารมีเต็มทัด้วยที่ตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่เรามองศาสนาด้วยความภาคภูมิแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนามีศาสดาเป็นพระอารหันตสมาสมุทธเจา้าแล้วก็มีพระพุทธราสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วย ท่านฟังทหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข อ, อความเจริญ ง, ง้องามไพยบูรในธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี